ฉลาดทางอารมณ์คุณเหมือนมีสองคนอยู่ในตัวคนหนึ่งมัวอยากเลือกคิดให้เป็นทุกข์อีกคนรู้จักเลือกคิดให้เป็นสุขได้เพื่อจะขับไล่คนคิดให้เป็นทุกข์ออกจากตัวคุณจำเป็นต้องแก้ปมที่หลับหลอกและแต่หลับหลอกก็ไม่ได้ยากเย็นเข็นใจขอแค่รู้ทันว่าคิดแบบไหนคือปมโง่าทางอารมณ์ คนคิดให้เป็นสุขก็ปรากฏ ต, ตัวขึ้นมาแทนแล้วแกงโง่ได้หนึ่งครั้งฉลาดขึ้นได้สิบครั้งใครๆก็เหมือนมีสองคนในตัวคนหนึ่งฉลาดคิดให้เป็นสุขอีกคนงโง่คิดให้เป็นทุกข์ความฉลาดทางอารมณ์ไม่ใช่อะไรแปลกใหม่ก็แค่ขุนเข้าข้างคนเลือกคิดให้เป็นสุข ช่วยให้มีอำนาจอยู่เหนือคนเลือกคิดให้เป็นทุกข์และขับไล่ออกไปจากตัวไม่ต่างจากไล่ผีไล่สางเหลือแต่คนฉลาดบริสุทธ์ไว้กับคุณหนึ่งเดียวพอการเข้าข้างความฉลาดทางอารมณ์ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแค่จับเอาเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่คุณคุณ้นแล้วก็ชินกับการปล่อยให้อารมณ์โง่รอบงำโดยทำไว้ในใจล่วงหน้าว่าครั้งต่อไป เราจะเข้าข้างความฉลาดที่เคยโวยวายทันทีก็เปลี่ยนเป็นสงบนิ่งรู้แรงอัดของโทสะเล่นที่เคยเลือกคำพูดทิ่มแทงให้เจ็บสุดก็เปลี่ยนเป็นใจเย็นหาคำพูดสบายหูที่เคยเก็บเรื่องไม่เป็นเรื่องมาคิดมากก็เปลี่ยนเป็นค้นหาเรื่องน่าคิดมาคิดให้ดี ที่เคยเร่งร้อนอยากสงบเป็นสมาธิเร็วๆก็เปลี่ยนเป็นยอมรับเท่าที่มันเป็นแล้วเห็นความไม่เที่ยงประเด็นคือไม่ว่าคุณจะเข้าข้างความฉลาดทางอารมณ์ใดสำเร็จก็เท่ากับจุดชนวนความฉลาดทางอารมณ์ได้จริงจึงไม่แปลกหากจะเห็นความฉลาดทางอารมณ์อื่นๆเกิดตามมาเองเพราะคุณจะรู้จักคิดข้างที่เป็นขั้วตรงข้าม กับอารมณ์โง่ตัวอย่างเช่นพอเกิดความคิดว่าแย่จังสัปดาห์นี้ยต้องมาทำงานวันอาทิตย์อีกแล้วจมอยู่กับอารมณ์เซ็งเป็ดโล่งหน้าหลายวันก็อาจเปลี่ยนเป็นคิดให้เกิดความรู้สึกสดใหม่ในทันทีว่าดีเหมือนกันให้เป็นวันอาทิตย์ของการจัดระเบียบสมองใหม่แทนที่จะอยู่ว่างๆฟุ้งซ่านเปล่า ก็ให้เป็นจุดเริ่มต้นคิดอย่างมีเป้าหมายบ้างหรือพอเกิดความคิดว่าเหลียวผิดทางอีกแล้วไม่น่าเลยแล้วเดือดดานวุ่นวายหาแพะรับบาปไม่เลิกเช่นป้ายไม่ชัดรถข้างหน้าขวางสายตามัวแต่ต้องกังวลคิดมากเรื่องใหญ่บ้านเนี่ยแท้ๆเป็นต้นถ้าบาังเอิญเพลงในรถถึงจังหวะเราะริง ก็อาจเปลี่ยนมามองว่าเออท้าเมื่อกี้เลี้ยวถูกปาเนี้ยถึงแล้วคงไม่ได้ฟังเพลงโปรดเหมือนอย่างที่กำลังฟังให้อารมณ์ดีอยู่เนี่ยพูดง่ายๆคือแทนการยอมให้ในหัวคุณมีแต่คำถามไร้ประโยชน์เช่นทำไมเลี้ยวผิดใครทำป้ายไว้ไม่ดีก็เปลี่ยนมาบรรจุเสียงเพลงไว้ในหัวแทนซึ่งเพลงจะเข้ามาเองไม่ได้ ถ้าคุณไม่เงียหูรับฟังความฉลาดทางอารมณ์เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ถ้าค้นหาคุณจะเจอโชคดีในโชคร้ายเสมอและถ้าปลูกฝังไว้เป็นนิสัยทำให้เกิดขึ้นเป็นประจำแม้แง่ดีที่เล็กที่สุดเช่นเห็นเป็นด่านทดสอบว่าใจเย็ยนลงแค่ไหนเปลี่ยนเป็นคนละคนแล้วหรือยัง สำเร็จความฉลาดทางอารมณ์ครั้งเดียวเหมือนกำจัดความโง่อื่นอีกเป็นสิบผลแต่ถ้ามัวตามใจตัวเองอยู่จนวันตายก็ไม่ฉลาดขึ้นได้เองเลยสักครั้งเมื่อรู้ตัวว่าคิดลบให้ฝึกคิดเป็นตรงข้ามกับความคิดนั้นทันทีแล้วจะได้ผลเป็นบวกแก้สับสนเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ เมื่อไม่แบ่งว่าอะไรเรื่องเล็กอะไรเรื่องใหญ่ในหัวของคุณจะเต็มไปด้วยเรื่องใหญ่ต่อเมื่อฝึกแบ่งว่านี่เรื่องเล็กนั่นเรื่องใหญ่คุณจึงค่อยรู้สึกเหมือนตรงหน้ามีแต่เรื่องเล็กมีแต่ขั้นบันไดที่ก้าวข้ามไปหาขั้นที่สูงขึ้นง่ายๆแปากแต่จริงคือคนส่วนใหญ่แยกไม่ออกว่าอันไหนเรื่องใหญ่อันไหนเรื่องเล็ก เพียงเพราะรู้สึกเป็นทุกข์เท่ากันไปทุกเรื่องจะแบ่งว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่นั้นง่ายนิดเดียวแค่ตัดอารมณ์อันบิดเบี้ยวออกไปเหลือแต่เหตุผลที่ตรงไปตรงมาแล้วจัดลำดับว่าอะไรต้องทำก่อนอะไรต้องทำหลังอะไรต้องสนใจเดี๋ยวนี้เลยอะไรเอาไว้ค่อยสนใจตอนว่างๆก็ได้ถ้าปล่อยอารมณ์บิดเบี้ยวให้ครอบงาใจ แม้แต่นักบริหารใหญ่ก็อาจคว้เขว้ได้ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ได้ทั้งที่เคยทำเรื่องใหญ่ให้กลายเป็นเรื่องเล็กสำเร็จมาก่อนอย่ามัวมองหาอุบายวิธีลัดแต่ให้มองความสับสนใจเป็นโจทย์มองทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวเป็นแบบฝึกหัดหากคิดอะไรไม่ออกลำดับอะไรไม่ถูกให้บอกตัวเองว่า ต้องพึ่งกระดาษปากกาแล้วโดวยเขียนลงไปด้วยความนึกคิดธรรมดาธรรมดาว่าเรื่องไหนเร่งด่วนที่สุดต้องจัดการให้ลุล่วงก่อนเพื่อนถ้าคุณตัดสินไม่ถูกที่ตรงนี้ให้พยากรณ์ตัวเองว่าทั้งเดี๋ยวนี้รวมทั้งต่อไปข้างหน้าชีวิตจะสับสนออมานไม่เลิก แต่ถ้าตัดสินถูกว่าเรื่องใดสำคัญที่สุดเรื่องสำคัญรองๆลงมาจะค่อยๆทยอยตามมาเองเพราะระบบวิธีคิดถูกจุดชนวนให้ทำงานแบบเป็นขั้นเป็นตอนใส่ลงไปให้หมดว่าต้องทำอะไรต้องสนใจอะไรก่อนหลังปฏิบัติเหมือนผู้บังคับบัญชาที่ต้องออกคำสั่งกับผู้น้อยที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลย เสร็จแล้วให้ถือกระดาษติดตัวไว้เป็นสรณะพอจะสับสนพอจะฟุ้งซ่านเคว้งคว้างให้งัดกระดาษมาอ่านดูว่าเราอยู่ตรงไหนขณะนั้นต้องคิดเรื่องอะไรต้องจัดการเรื่องราวใดให้ลุล่วงไม่เขวไปทางอื่นฝึกกำกับตัวเองได้ไม่กี่วันจะรู้สึกว่าคุณคิดเป็นระบบระเบียบขึ้น อาจจะเพราะคนณพบว่าเรื่องเล็กที่ทำเสร็จไม่ใช่มีแต่งงานที่เสร็จแต่อารมณ์สับสวนวกบลจะเสร็จด้วยส่วนเรื่องใหญ่ที่ทำเสร็จไม่ใช่เสร็จแต่งงานแต่จะมีความสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นที่ตรงนั้นให้นึกภูมิใจได้เลยว่าคุณคือคนส่วนน้อยที่รู้ว่าหากเป็นเรื่องใหญ่ ควรให้ใจใหญ่ๆและเวลาส่วนใหญ่ไปกับเรื่องนั้นวัดกันเป็นชั่วโมงวัดกันเป็นวันวัดกันเป็นเดือนเท่าไรเท่ากันไม่อ่านเลยส่วนเรื่องใดเล็กน้อยควรให้ใจน้อยๆและเวลาส่วนน้อยนิดเดียววัดกันเป็นวินาทีวัดว่ากี่อึดใจดีจึงถึงเวลาตัดความคิดทิ้งเสียที เนวสันแมนเดลาแก้แค้นด้วยมหาสันติภาพเนวสันแมนเดลาควบคุมอารมณ์ตัวเองได้คนเดียวช่วยให้คนอื่นสลาดทางอารมณ์ได้เป็นล้านเจ้าของวาทะไม่มีเวลาเหลือพอให้ล้างแค้นถ้านักประหาดคนไหนพูดเช่นนี้คนฟังอาจยิ้มมุมปากอย่างเห็นเป็นปรัชญาน่าจดจำประเภทกินไม่ได้แต่เท่มาก แต่คุณคงยิ้มไม่ออกและอื้งจุกคอหอยแทนเมื่อรู้ว่าเนลสันแมนเดลาคือผู้เอ่ยวาทะนี้หลังติดคุกเป็นเวลา27ปีโทษฐานเป็นนักเคลื่อนไหวตัวยงในการต่อต้านการถือสีผิวระหว่างถูกจำคุกชื่อเสียงของแมนเดลาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะผู้นำชนผิวดำคนสำคัญที่สุดในแอฟริกาใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีคศ .1975 เมื่อเขาได้รับข้อเสนอว่าจะถูกปลดปล่อยเป็นอิสระหากทำให้กระบวนการของเขาปลดอาวุธได้แต่แมนดิล่าปฏิเสธโดยยืนยันว่าอิสระภาพส่วนตัวไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเมื่อเกิดการเปลี่ยนประธานาธิบดีเขาได้รับอิสระภาพและหลังออกจากคุก เขามีพลังศรัทธาของประชาชนหนุนหลังมากพอจะก่อความรุนแรงแค่ไหนก็ได้แต่กลับเลือกกล่าวคำพูดกินใจบรนดาลใจให้คนที่ดูถ่ายทอดสดทั่วโลกเกิดสำนึกในทางสันติภาพแทนการปลุกระดมให้เกิดความเคียดแค้นคิดอย่างห้ามหันกันไม่รู้จบรู้สิน้นเขากลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่ได้รับเลือกตั้ง ตามกระบวนการทางประชาธิปไตยอย่างถูกต้องจุดยืนทางสันติภาพอันมั่นคงช่วยให้อารมณ์ของเขาคงเส้นคงวาแม้ได้รับความไม่เป็นธรรมอย่างน่าคับแค้นที่สุดก็เลือกที่จะใช้เป็นโอกาสสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกฝ่ายเกิดสำนึกในทางสันติถึงที่สุด